สังขานุสติกถาวิธีเจริญสังขานุสติกรรมฐานเมื่อโยคีบุคคลผู้ประสงค์ที่จะเจริญสังขานุสติกรรมฐานไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ณนะเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกเนือ ง, งถึงคุณทั้งหลายของพระอริยสงฆ์อย่างนี้ว่าคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคในที่นี้หมายถึงตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอระหันต์สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพานสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควร อาหูเนโยเป็นผู้ควรแก่ของบูชาปาหูเนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับทักคินเนโยเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้อนุตตรังบุญยาเขตตังโลกัสสะเป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลก อธิบายบทสุปฏิปันโนถึงบทสามีจิปฏิปันโนในบรรดาพระสังฆคุณเหล่านั้นบทว่าสุปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติด้วยดีอธิบายว่าเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทาอันถูกต้องปฏิปทาอันไม่ถอยหลังปฏิปทาอันสมควรปฏิปทาอันไม่เป็นฆ่าศึก ปฏิปทาอันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมพระสงฆ์เหล่าใดยอมรับฟังพระโอวาทและพระอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่าสาวกหรือสาวกหมู่แห่งพระสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกสังโคอธิบายว่าหมู่แห่งพระสาวก พูดถึงซึ่งความเป็นหมู่กันด้วยความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลและทิฏฐิก็โดยที่ปฏิปทาอันถูกต้องนั้นเป็นข้อปฏิบัติรงคือไม่คดไม่โกงไม่โค้งและอันบัณฑิตเรียกว่าไกลจากกิเลสเป็นเหตุรู้แจ้งดังนี้บ้างและถึงซึ่งอันนับว่าสามีจิ เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรดังนี้บ้างฉะนั้นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทานั้นจึงกล่าวได้ว่าอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันตรงบ้างยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นเหตุให้รู้แจ้งบ้างสามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรบ้าง และในอธิการนี้นักศึกษาพึงทราบ ว, ว่าพระอริยเจ้าจําพวกใดขณะดํารงอยู่ในมรรคพระอริยเจ้าจําพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะเป็นผู้กําลังพรั่งพร้อมด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องพระอริยเจ้าจําพวกใดขณะดํารงอยู่ในผลพระอริยเจ้าจําพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี โดยมุ่งเอาข้อปฏิบัติอันเป็นอดีตเพราะมรรคผลที่จะพึงบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องเป็นสิ่งที่พระอริยะเจ้าจำพวกนั้นบรรลุมาแล้วอีกนัยยะหนึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนในพระธรรมวินัย ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วบ้างเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามซึ่งข้อปฏิบัติอันไม่ผิดบ้างชื่อว่าอุจุปติปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามปฏิปทาอันเป็นสายกลางโดยหลีกเลี่ยงปฏิปทาอันเป็นสายริมทั้งสองเสียและเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประหารเซสซึ่งโทษคือความคด ความโคงความโคง้งของกายวาจาใจชื่อว่าญาญะปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประสงค์ญายะที่ท่านเรียกว่านิพพานชื่อว่าสามีจิปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติโดยประการที่ปฏิบัติแล้วเป็นผู้สมควรแก่สามีจิกรรม บทว่ายะทิทังแยกเป็นยานิอิมานิแปลว่าเหล่านี้ใดบทว่าจัตตาริปุริสายุคานิความว่าโดยจัดเป็นคู่คือพระอริยะบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมมักพระอริยะบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผลเป็นต้นนี้จัดเป็นคู่หนึ่ง โดยในยะนี้จึงเป็นคู่แห่งบุรุษสีด้วยประการชนิ้บทว่าอัฏฐะปุริสปุคลาความว่าโดยจัดเป็นบุรุษบุคคลคือพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรรคจัดเป็นบุคคลหนึ่งพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผลจัดเป็นบุคคลหนึ่ง โดยนัยนี้จึงเป็นบุรุษบุคคลแปดพอดีและในอธิการนี้บทว่าปุริโสก็ดีบทว่าปุคโลก็ดีไม่มีความหมายอย่างเดียวกันแต่บทว่าปุริสปุคลานี้ตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งเวนัยสัตว์บทว่าเอสะภควะโตสาวะกะสังโค ความว่าโดยเป็นคู่หรือคู่แห่งบุรุษสี่โดยแยกกันคือบุรุษบุคคลแปดเหล่านี้ใดนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคอธิบายบทอาหุเนโยในบทว่าอาหุเนโยเป็นต้นมีอา ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ วัตถุใดอันบุคคลพึงนำมาบูชาวัตถุนั้นชื่อว่าอาหุณะอธิบายว่าได้แก่วัตถุอันบุคคลพึงนำมาแม้แต่ไกลแล้วถวายไว้ในท่านผู้มีศีลทั้งหลายคำว่าอาหุณะนี้เป็นชื่อของปัจจัยสี่พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ควรเพื่อจะรับซึ่งของอันบุคคลนำมาบูชานั้น เพราะทำของนั้นให้มีผลมากด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาหุเนโยผู้ควรรับของที่บุคคลนำมาบูชาอีกนัยยะหนึ่งแม้สมบัติทุกอย่างที่บุคคลนำมาแม้แต่ที่ไกลแล้วบูชาไว้ในพระสงฆ์สาวกนั้นเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกนั้นจึงชื่อว่า อาหวาิโยเป็นผู้ที่บุคคลนำมาบูชาอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์สาวกย่อมควรซึ่งวัตถุอันเทวดาทั้งหลายมีท้าส ก, กะเป็นต้นบูชาเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาหวาิโยผู้ควรซึ่งวัตถุอันเทวดาบูชาอันหนึ่งไฟนิใด ชื่อว่าเป็นสิ่งควรซึ่งอันบูชาของพรามทั้งหลายพรามเหล่านั้นมีลัทธิว่าสิ่งของที่บูชาแล้วในไฟใดเป็นของมีผลมากถ้าว่าไฟนั้นเป็นสิ่งควรซึ่งอันบูชาเพราะของที่เขาบูชาแล้วมีผลมากไซพระสงค์เท่านั้นเป็นผู้ควรซึ่งอันบูชาเพราะว่าสิ่งของที่บุคคลบูชาแล้วในพระสงค์เป็นสิ่งที่มีผลมาก สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลใดพึงบำเรอไฟอยู่ในป่าตั้งร้อยปีอย่างหนึ่งบุคคลใดพึงบูชาผู้ที่อบรมตนแล้วคนเดียวแม้เพียงชั่วครู่อย่างหนึ่งการบูชานั้นนั่นแลประเสริฐการบำเรอไฟตั้งร้อยปีจะประเสริฐที่ไหนบทว่า อาหวาเนโยนั้นมีในลัทธินิกายอื่นโดยความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับบทว่าอาหุเนโยนี้ณที่นี้แต่อย่างไรก็ดีในสองบทนี้โดยพยัญชนะก็ต่างกันเพียงนิดหน่อยเท่านั้นด้วยประการชนนี้ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าอาหุเนยะบุคคล อธิบายบทปาหุเนโยก็แลในบทว่าปาหุเนโยนี้มีอัธิบายดังต่อไปนี้สิ่งของสำหรับให้แก่อาคัรตุกะที่เขาตระเตรียมไว้โดยเป็นเครื่องสักการะเพื่อประโยชน์แกญาติมิตรผู้เป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจซึ่งมาแต่ทิศใหญ่และทิศน้อยทั้งหลายเรียกว่าปาหุณะ คือของต้อนรับแขกสิ่งของแม้นั้นเป็นญาละมิดผู้เป็นแขกเหล่านั้นควรเพื่อจะถวายเฉพาะแก่พระสงฆ์พระสงฆ์เท่านั้นควรเพื่อจะรับซึ่งสิ่งของนั้นเพราะว่าขึ้นชื่อว่าแขกที่จะเหมือนพระสงฆ์หามีไม่เป็นความจริงอย่างนั้นพระสงฆ์นี้จะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพุทธันดรหนึ่ง ล่วงไปแล้วและเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะทั้งหลายอันสร้างความเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจให้ชนิดที่ไม่เจือปนอีกด้วยของต้อนรับแขกควรเพื่อจะถวายแก่พระสงฆ์นั้นและพระสงฆ์เป็นผู้ควรเพื่อรับของต้อนรับแขกเหตุนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าปาหุเนโยผู้ควรรับของต้อนรับแขก คำว่าพระสงค์อย่าลืมนะครับว่าในบทสรรเสริญสังฆคุณหมายถึงพระอริยสงฆ์เท่านั้นอันหนึ่งโดยเหตุที่พระสงฆ์ของบุคคลจำพวกที่ถือพระบาลีว่าปาหวานิโยย่อมควรซึ่งการกระทาก่อนฉะนั้นทานวัตถุอันบุคคลพึงนำมาบูชาในพระสงฆ์นี้ก่อนกว่าเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์นี้ จึงชื่อว่าปาหวานิโยผู้เป็นที่อันบุคคลควรนำบูชาก่อนอีกอย่างหนึ่งประสงค์ย่อมควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาหวานิโยแปลว่าผู้ควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวงสับว่า พาหวานิยะนี้นัน้นาที่นี้ท่านกล่าวว่าปาหูเนยะโดยอ ธ, ธิบายก็เหมือนกันนั้นอธิบายบททักคินเโยก็แลทานที่บุคคลให้เพราะเชื่อปรโลกเรียกว่าทักคินา ประสงค์ย่อมควรซึ่งทักขินานั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าทักขินโยผู้ควรซึ่งทักขินาอีกอย่างหนึ่งประสงค์เป็นผู้เกื้อกูลแก่ทักขินาโดยที่ทําทักขินาให้บริสุทธิ์ด้วยการกระทําให้มีผลมากฉะนั้นจึงชื่อว่าทักขินโยผู้เกื้อกูลแก่ทักขินา อธิบายบทอัญชลิกรารณีโยโวพระสงฆ์ย่อมควรซึ่งอัญชลีกรรมที่ชาวโลกทั้งมวลพากันยกหัดทั้งสองตั้งไว้เหนือเสียนกระทำอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าอัญชลิกรารณีโยโผู้ควรซึ่งอันกระทำอัญชลีกรรม อธิบายบทอนุตรังปุญญเขตตังโลกสะคำว่าพระสงฆ์เป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลกความว่าพระสงฆ์เป็นสถานที่ปลูกบุญของชาวโลกทั้งมวลยังไม่มีอะไรเหมือนเหมือนอย่างว่าสถานที่เฉพาะปลูกข้าวสาลีสถานที่เฉพาะปลูกข้าวเหนียวของพระราชาหรือของอํามาศชาวโลกเรียกว่า นาข้าวสาลีของพระราชานาข้าวเหนียวของพระราชาฉันใดพระสงฆ์ก็เป็นสถานที่ปลูกบุญทั้งหลายของชาวโลกทั้งมวลฉะ น, นั้นเพราะว่าได้อาศัยพระสงฆ์แล้วบุญทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างนา น, นาประการของชาวโลกย่อมเจริญงอกงามเพราะเหตุ น, นั้นพระสงฆ์จึงเป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลกชนนี้แล องชานห้าเกิดเมื่อภิกษุผู้โยคีบุคคลระลึอกอยู่เนืองๆถึงคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายอันต่างด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นอย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหะรบกวนสมัยนั้น จิตของเธอจะปรารบตรงดิ่งถึงพระสงฆ์ด้วยประการชนีองค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในยาก่อนนั่นแหละแต่เพราะเหตุที่คุณของพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นสภาพที่ล้ำลึกประการหนึ่งเพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอนันระลึกถึงคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่งฌาน จึงไม่ขึ้นถึงขั้นอัปปนาคงถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่าสังคานุสติฌานเพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั่นเที่ยวอา น, นิสงส์งการเจริญสังคานุสติกรรมฐ า, านก็แหล อิกษุผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสังคารุสติกรรมัฐานนี้ย่อมจะสำเร็จเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสงฆ์ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งความภัยบู์ด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นย่อมจะเป็นผู้มากล้นไปด้วยปีติละปราโมทย่อมเป็นผู้กำจัดเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัวย่อมเป็นผู้สามารถอดกลั้นได้ซึ่งทุกเขเวทนา ย่อมได้ความมั่นใจว่าอยู่ร่วมกับพระสงฆ์อันหนึ่งสรีระร่างของภิกษุนั้นอันสังคานุสติครอบครองแล้วย่อมกลายเป็นสิ่งที่ควรแกการบูชาเป็นเหมือนว่าโรงอุโบสถที่มีพระสงฆ์ประชุมอยู่พร้อมแล้วจิตย่อมน้อมไปเพื่อถึงพระสังฆ ค, คุณ และในเมื่อประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิดฮิริละโอต ป, ปะย่อมจะปรากฏขึ้นมาแก่เธอทันทีเป็นเสมือนเห็นพระสงฆ์อยู่โดยพร้อมหน้าฉะนั้นก็แหลภิกษุผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งสังคานุสติกรร ม, มัฐานเมื่อจะไม่ได้แทงตลอดซึ่งคุณพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปในชาตินี้ก็ย่อมจะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เพราะเหตุฉะนั้นแหละโยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดีบำเพ็ญความไม่ประมาทในสังคานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพนานามานี้ในการทุกเมื่อเทินกถามุกพิสดาในสังคานุสติก ร, รมมัฐานยุติลงเพียงเท่านี้